ดังพระพุทธภาสิธิตรัสสอนไว้นี่ที่ทรงยกเอารถขึ้นมาเมื่อเอาส่วนประกอบต่างๆเห็นวัลลโอะและทุกๆส่วนมาประกอบกันเข้าเสียงเรียกกันว่ารถจึงได้มีขึ้นแต่อันที่จริง รถจริงๆนั้นไม่มีขาว่ารถนั้นเป็นสมมติบัญญัติเรียกขึ้นเท่านั้นในเมื่อถอดแยกส่วนประกอบรกรอบส่วนประกอบต่างๆนั้นออกไปแยกเอาล้อออกไปแยกเอาตัวรถต่างๆออกไปเรียกเรียกว่ารถก็หายไปรถจริงๆจริงไม่มี รถเป็นสมมติบัญญัติเท่านั้นแม้ต้นไม้บ้านเรือนดังที่กล่าวมาขัาต้ตอนกฎเขียนอยู่กันในเมื่อเอาทัพประสัมภะ่างๆมาปรุงกันเข้าก็เป็นเรือนแต่เมื่อรื้อเรือนนั้นออกรื้อหลังคารื้อเสรารื้อฝาหรือเพลนถอนเสาออก เสียงเรียกว่าเรือนก็หายไปเรือนจริจๆจึงไม่มีดังประกอบกันเข้าสมมุติบัญญตัติเสียงเรียกว่าเรือนจึงได้มีขึ้นต้นไม้ก็เหมือนกันเมื่อตัดข้นตัดกิง่งกานลำต้นถอนรากออกไปหมดแล้วเสียงของต้นไม้นั้นก็หายไป ตนไม้จริงๆจริงไม่มีแม่อัตวาทะหรือสมมติบัญญัติถ้อยคำที่เรียกกันว่าอัตราโตนคืออัตภาพนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อขันทั้งหลายมาประปอกอบพันเข้าเสียงเรียกว่าอัตราโตนก็มีขึ้น เมื่อขันแตกสลายเสียงเรียกว่าต า, าตัวตนก็หายไปตัวตนจริงๆ จ, จ, จริงไม่มีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ตรัสสอนมาให้พิจารณาดูที่ตั้งของสมมติบัญญัติทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้ว่าเมื่อมันประกอบกันเข้าเป็นสังขารก็เป็นที่ตั้งของสมติบัญญัติเรียกกันต่างๆ และเมื่อสังขารคือส่วนที่มาประกอบกันนั้นแตกสลายแยกย้ายกันออกไปสมมติบัญญัติต่างๆนั้นก็หายไปฉะนั้นวาทะที่สมมติบัญญัติที่เรียกกันต่างๆซึ่งสังขารทุกๆอย่างไม่จำเพาะแต่อัตตาเท่านั้น ต้นไม้ภูเขาอะไรเป็นต้นดังกล่าวนั้นก็เหมือนกันจึงไม่มีความจริงแท้อยู่ในตัวเป็นสมมติบัญญัติเท่านั้นตัดสอนให้พิจารณาที่ตังของสมมติบัญญัติเหล่านั้นว่าเป็นตัวสังขารเป็นสิ่งประสมปรุงแต่งและได้ทรงที้มาดูให้รู้จัก ที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าอัตราโดโดตนคืออัตาภาพอันนี้โดยที่ตัดสอนชี้ออกให้รู้จักว่าไม่มีตัวอัตราภาพหรืออัตรา ท, ที่แท้จริงอยู่ในสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งกอนนี้กองนี้ โดยจัดชีแยกออกไปว่าอันที่จริงนั่นประกอบขึ้นโดยขันคือกองทั้งห้านั่นเป็นรูปนั่นเป็นเวทนานั่นเป็นสัญญานั่นเป็นสังขารนั่นเป็นวิญญาตเหมือนยังตัดชีให้ดู เรือนว่านั่นหลังคานั่นเสานั่นฝานั่นพื้นนั้นเสากระชี้ให้ดูรถว่นั่นล้อนั่นตัวรถนั่นถึงประกอบต่างๆของรถให้ดูต้นไม้ว่านั้นเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นลำต้นเป็นรากเป็นเปลือกเป็นระพี้เป็นแก่นเป็นต้นซึ่งมาประกอบเันเข้าเป็นสังขาร คือเป็นสิ่งประชมปรุงแต่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งและในอันตภาพอันนี้ก็ประกอบขึ้นโดยขันท่าก็ตัดเชี่ยให้รู้จักว่าสิ่งที่มาประกอบนั้นอะไรบ้างส่วนที่แข็งแข็งซึ่งประกอบขึ้นด้ถาดทั้ง4มีอาการสาสหรือ3าสองนี่เป็นกองรูป ดังกองรูปของทุกคนที่นั่งกันอยู่นี่ก็คือว่ากองรูปกองหนึ่งมากองกันอยู่ประกอบด้วยถาดทั้ง4ี่ประกอบด้วยอาการสามร้อเอดสามร้อยสองเียกแยกออกไปเป็นศีรษะเป็นแขนเป็นขาเป็นลำตัวเป็นต้นลงมากองกันอยู่นี่เป็นกองรูป ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็เป็นกองเวทนาความจําได้ไม่รู้รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลพะรู้เรื่องราวต่างๆก็เป็นกองสัญญาความปรุงคิดหรือความคิดปรุงต่างๆก็เป็นกองสังขารถึงเป็นความปรุงแต่งภายในจิต และกองความรู้ศึกเมื่อตากับรูปประจบกันก็เป็นความรู้รูปคือเห็นรูปหูกับเสียงประจบกันก็เป็นความรู้หรือได้ยินเสียงเมื่อจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรถกายและสิ่งที่กายถูกต้องมาประจบกันก็เกิดความรู้ หรือทราบในกลิ่นในรสในผลภัเมื่อมโนคือใจกับธรรมะเรื่องราวมาประจบกันก็เกิดความรู้ในเรื่องที่ใจคิดรู้เหล่านั้นนั่นก็เป็นกองวิญญาณ เพราะฉะนั้นก็ขันห้าเหล่านี้เองมาประกอบกันเข้าก็เป็นนามรูปนี่เป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งเป็นที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าอัตตาตัวเราหรืออัตภาพและเมื่อขันห้าเหล่านี้ยังประกอบกันอยู่ ไม่แตกสลายแยกกันออกสมมติบัญญัติว่าตัวเราอัตภาพอัตตาก็ยังอยู่ในเมื่อกองทั้งห้าเหล่านี้แตกสลายในเมื่อมรณะมาถึงน้ำก็ดับรูปก็แตกสลายไปโดยลำดับสมมติบัญญัติ ว่าอัตตาอัตภาพก็หายไปได้ตรัสสอนให้รู้จักพิจารณาแยกดังนี้ให้รู้จักตามความเป็นจริงนี่แหละคือวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงซึ่งจะต้องมีสมาธิคือจะต้องมีจิตตั้งมั่นกำหนดอยู่ในที่ตั้งแห่งสมุติบัญญัติว่าอัตตาหรืออัตภาพปันนี้ ให้รู้จักว่นมี้รูปนี่เมตนาในสัญญาในสังขารนิวิน ญ, ญาตมีชาติความเกิดเป็นเบื้องตน้นมีชราความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงร้องทั้งพยาธิในทรามกลางมีมรณะเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นจึงเป็นอนิจจะไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับเป็นทุกขะเป็นทุกข์คือทนอยู่คงที่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป บังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้เพราะปรารถนานั้นก็ปรารถนาที่จะไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายเขาก็ปรารถนาไม่ได้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาโตโ ต, โตัดตัดสอนให้รู้จักพิจารณาในที่ตั้งของสมมติบัญญัติดังนี้โดยเฉพาะข้อสําคัญก็คือสมมตบัญญัติว่าอัตตา ตัวเราของเราตัวเราก่อนแล้วก็มีของเราแล้วก็จะมีตัวเขาของเขาและเมื่อพิจารณาให้รู้จักที่ตัง้งหรงสมมติบัญญัติโดยเฉพาะที่ตัวเรานี้ตามความเป็นจริงโดยใจลักดังนี้แล้วก็จะทําให้หายหลงหายยึดถือแต่เมื่อยังไม่ได้เห็นแจ้งจริงก็ย่อมจะต้องมีความยึดถืออยู่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 ให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสารณนะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล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 ที่หมายถึงอุปาทานบางคำเช่นส ก, กายทิฏฐิความเห็นยึดถือกายของตน แต่ว่าตามสัพพะส ก, กายทิฐิไม่มีคำว่ายึดถืออยู่มีแต่คำว่าความเห็นความเห็นว่ากายของตนแต่เมื่อแปลโดยความก็มักจะเติมคำว่ายึดถือเข้าด้วย คำว่าอัตตานุทิฏฐิความตามเห็นว่าอัตตาตัวตนกับอีกคำหนึ่งมานะความสำคัญหมายอย่างละเอียด ก็คืออัตตมิมาณะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นบางแห่งก็เรียกด้วยถ้อยคำที่ยาวว่าอัตตมิมาณะทิฏฐิ มาณและทิฏฐิว่าเรามีเราเป็นจะได้แสดงคำวส ก, กายทิฏฐิความเห็นว่ากายของตนคำนี้ แสดงเป็นสัญญต์ข้อที่หนึ่งในสัญญต์สิบและได้มีคำอธิบายที่เป็นพระพุธธทธอธิบายในที่ทั้งปวงวัสพพิธิยี่สิบ ก็คือทิฏฐิความเห็นร่ากายของตนในขันห้าขันห้านั้นก็ได้แก่รูปประขันกองรูปเวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสัญญา สังขารขันกองสังขารวิญญาณขันกองวิญญาณเป็นยี่สิบอย่างไรก็คือเห็นว่าขันห้าเป็นตนคือเห็นว่ารูปเป็นตนเวทนาเป็นตน สัญญาเป็นตนสังขารเป็นตนวิญญาณเป็นตนก็ได้หาข้อเห็นว่าตนมีขันธ์ห้าคือเห็นว่าตนมีรูปตนมีเวทนาตนมีสัญญาตนมีสังขาร ต, ต, ตนมีวิญญาณ ก็ได้อีก5้าเห็นขันห้าในตนคือเห็นรูปในตนเห็นเวทนาในตนเห็นสัญญาในตนเห็นสังขารในตนเหน็นในตนก็เป็นอีกห้า เห็นตนในขันท่าคือเห็นตนในรูปเห็นตนในเวทนาเห็นตนในสัญญาเห็นตนในสังขารเห็นตนในวิญญาณก็เป็นอีกห้าห้าสี่หนก็เป็นยี่สิบจึงเรียกว่า สกายทิฏฐิยี่สิบความเห็นว่ากายของตนยี่สิบสกายทิฏฐินี้ที่แสดงเป็นสัญญตก็แสดงว่าพระโสดาบัน ละสัญญต์สามขั้นต้นได้ก็คือละสักกายะทิฐิความเห็นว่ากายของตนวิจิกิจฉาความเคลื่อแพร่งสงสัยในพระรัตนตรัยเป็นตน้นสีลพตปรามตดความ รูปครับยึดถือศีลในวัดพระโสะดาบันนั้นเป็นอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งซึ่งแสดงว่า เป็นภูที่ไม่ตกดำไม่ไปเกิดในอบายคือไม่ไปเกิดเ ป, กเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุรกาย ต่างๆและจะท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในมนุษย์ในเทพซึ่งเป็นสุขติเจ็ดชาติเป็นอย่างยิ่ง ก็จะบรรลุถึงมรรคผลขั้นสูงสุดเป็นพระอระหันต์ขีณาศพสินชาติสินพบคือจะท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายอยู่ต่อไปอีกก็ท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสุขติพบทั้งหลาย และจะสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ขีนาศกภายในเจ็ดชาติเป็นอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติไปและโซมบุคคล น, นี้ในครั้งพุทธการที่แสดงไว้ จรื้อขัดบรรลุกเป็นอันมากและก็ยังเป็นผู้ครองเรือนมีภรรยามีสามีเหมือนอย่างชาวบ้านทั้งหลายเพราะยังมีกามราคะมีปฏิฆะยังละไม่ได้ เพราะฉะนั้นสักกายะทิฏฐิที่ละได้นั้นจึงไม่หมายถึงว่าละอุปาทานได้ทั้งหมดและสักกายะทิฏฐินั้นหากหมายถึงอุปาทานก็หมายถึงอุปาทานที่ เป็นขั้นแรกหรือเป็นขั้นต่ำซึ่งเมื่อละได้ก็ทำให้ ไม่ละเมิดศีลห้าไม่มีอกุศลละมูลคือโลภโกรธหลงอย่างแรงอันเป็นเหตุให้ละเมิดศีลห้าอันจะนำให้ไปอบายแต่ก็ยังมีอุปาทาน ที่เป็นขั้นละเอียดซึ่งจะต้องละต่อไปฉะนั้นจึงน่าคิดว่าท่านจึงใช้คำวสักกายทิฐิความเห็นว่ากายของตน และแม้ว่าจะ อ, อธิบายเป็นสักกายญาณิีิยี่สิบคือความเห็นขันห้าว่าเป็นตนเห็นตนว่ามีขันห้าเห็นขันห้าในตนเห็นตนในขันห้า และเมื่อละได้ก็แสดงว่าละความเห็นดังกล่าวนั้นได้มองเห็นคันห้าว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนหรือ กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็มองเห็นอัตราโตตนว่าไม่ใช่ขันห้าไม่มีขันห้าเมื่อเป็นดังนี้จึงส่องความว่ายังมีอัตราโตตนอยู่แต่ว่าอัตราโตวตนนั้นไม่ใช่ขันห้า และขันท่าก็ไม่ใช่อัตราตัวตนแต่ว่าอัตราตัวตนนั้นยังมีอยู่เมื่อยังมีอัตราตัวตนอยู่แม้จะไม่ใช่ขันท่าหรือขันท่าไม่ใช่อัตราตัวตนเมื่อยังมีอัตราตัวตนอยู่ที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่าขันท่า จึงยังมีการมาราคะปฏิฆะเป็นต้นซึ่งอริยมรรคอริยผลขั้นสูงขึ้นไปจึงจะละได้ขึ้นไปโดยลำดับแต่แม้เช่นนั้นเมื่อเห็นว่าขันธ์ห้ามี ม่ใช่อัตาตาโตตนหรืออัตาตาโตตนไม่ใช่ขันธ์ห้าดังกล่าวก็ทำให้ละวิจิกิจฉาละศีลปฏตรปราหมาตได้และไม่บังเกิดอกุศลน้ำมนูลโลภโกรธหลงอย่างแรงที่เป็นเหตุแห่งกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตต่างๆ ก็คือมีศีลห้าโดยธรรมดาเพราะฉะนั้นพิจรารณาดูตามถ้อยคำนั่งกล่าวมานี่ประโสดาบันท่านละ สักการะญาณิิก็คือละอุปาทานในขั้นที่ว่าขันห้าไม่ใช่อัตตาตัวตนอัตตาตัวตนไม่ใช่ขันห้าแต่ว่าอัตตาตัวตนยังมีอยู่และอัตตาตัวตนที่ทันละได้ที่เป็นสั ก, กายะญาิธิดังนี้ก็เป็น พ่อที่ให้บังเกิดผลดังกล่าวแล้วเรื่อ ง, งความเข้าใจดังนี้ก็ยอมจะเห็นว่าท่านจึงยังครองเรือนได้และก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ได้ถ้ายยังไม่บรรลุ มักผลที่สูงขึ้นไปในภพชาติที่เป็นโสดาบันบุคคลนั้นแต่ก็ไม่เกินเจ็ดชาติตามที่ท่านแสดงไว้และในสัญญติสิบนั่นเองที่เป็นสัญญต์เมืองบน ที่จะพึงละอรหัตมักอรหัตผลมีคำมาม่านะก็คือสัญยชน์สิบนั้นสกายจิิธวิจิกิจชาศีลปตประปรามาณ ละได้โดยอรหัตมักอรหัตผลละได้ก็เป็นโสดาบันละสัญ ญ, ญาตำทั้งสามนั้นได้ทำราคโทสะโมหะให้เบาบางลงมากขึ้นไปอีกได้ก็โดยสกทาคาไม่มักสกทาคามีผลก็เป็นส กถาคามีบุคคลและเมื่อละเพิ่ม